ชีวิตประจำวันของพวกเรามาพิจารณาอีกแบบหนึ่งมาพิจารณาดูแล้วก็มันก็น่าเบื่อแต่ว่าจะทำยังไงได้มันเป็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อเบื่อไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าว่าพิจารณาตามแนวทาม แนวความคิดของพระพุทธเจ้าแนววิธีคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายการเป็นอยู่ทุกอย่างน่าเบื่อหน้าเบื่อหนายแต่ว่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ชาติมานมนานสั่งสมกันมาเรื่อยๆมันก็ติดในการเป็นอยู่ ความสุขเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ติดแต่ถ้าไม่จริงความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่จะมาสังหารมนุษย์มีอยู่ขวางอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีใครที่จะมองเห็นพอมาถึงจุดนั้นเข้าไปแล้วก็แปลว่าจุดจุดท้ายทุกที่สุดแล้วกระจบไปแปลว่าในชาติหนึ่งกระจกเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้เอามาคิดอีก แต่ถ้ากว่าผู้ที่เข้าไปเ ส, เสียดแต่ถอยกลับคืนมาได้ยังไม่ถึงจุดจบก็ขยานแต่ไม่รู้จะทำยังไงอีกแต่การเป็นอยู่ทุกวันก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเมื่อวานนี่กอย่างนี้ไปบินทบาทแล้วก็มาฉันฉันแล้วันวันพุ่งนี้มาก็จะไปอีกกลับมาอีกฉัน แลว ก, ก่อนที่จะได้อยู่ได้ฉันที่จะได้ปัจจัยสี่ที่จะมาอยู่มาฉันมาบำรุงร่างกายก็ไม่ใช่ได้ของมาได้แบบง่ายๆอีกหาไม่ถูกที่ถูกทางกระแทบล้มแทบตายก่อที่จะได้ปัจจัยสี่มาบารุงร่างกายพิจารณาดูแล้วก็ พิจารณาตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวความคิดของพระพุทธเจ้าคือแนวความคิดของพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อเพราอนั้นแต่ว่ากิเลสมันไม่ให้เบื่อกิเลสภายในใจของมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเหนียวแน่นติดเนบอยู่ในการเป็นอยู่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นสัตสลาสิงห์ที่มันนอนจงปลักของมันมันก็ชอบในโครงการไปนอนแต่เราเห็นแล้วก็ขยักขยแงนี่แหละการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกหลายขั้นตอนอย่างพ่าพุทธเจ้าที่ท่านเห็นทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำท่ามกลางจนถึงที่สุด ถ้าไปตกนรกมีความทุกข์ขนาดไหนถ้าเป็นเปรตสวยวิบากกรรมทุกข์ขนาดไหนขึ้นมาเป็นสัตว์ทิฏฐิฉาลแต่ละประเภททุกข์ขนาดไหนขึ้นมาเป็นมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะทั่วโลกไม่เสมอกันแล้วก็ทุกข์ขนาดไหนเป็นภูมิลุกขเทวดา แล้วมีระดับไหนสุขระดับไหนทุกขระดับไหนเป็นพรหมทุกระดับไหนเป็นพระอริยะเจ้าผู้พ้นจากกิเลสแล้วเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบตามขั้นตอนลงมาแล้วก็มันมีความทุกข์ตามขั้นตอนถับเป็นสัตว์ตกนรกนะไม่มีระหว่างที่จะมีความสุข ไม่มีระหว่างที่จะมีความสุขมีทุกข์ต่อเนื่องถ้าเป็นเปรตก็หิวโหวยทุกข์ยากลำบากอยู่ตลอดเว ล, เวลาถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานการเป็นอยู่แต่ละประเภทอย่างช้างม้าวัวควายกินอาหารยากกินใบไม้แต่พวกเราเห็นแล้วก็หน้าขยะขยงถ้าเป็นเสือ สิงห์หมาหรือสัตว์กินพวกเนื้อสัตว์กินแบบกัดกินเลยดูดูแล้วพวกเราเห็นก็ขยะขยงพวกหมูกินอะไรสัตว์ต่างๆตรอดถึงกินของอาจมอะไรดูแล้วเราขยะขยงแต่มนุษย์ของเรากินอาหารทานอาหารอริอร่อยอย่างพวกเราทานเนี่ย แต่พวกเทวดาอารักษ์ทางหลายเขามองเห็นมนุษย์เขาว่าโอ้ oh, มนุษย์เนี่หยาบมากกินกระทั่งเนื้อสัตว์ดูแล้วอรส์อร่อยกินอะไรก็ไม่รู้สกกระปรกเทวดาเขามองเห็นมนุษย์ ก, ก็เหมือนกับเรามองเห็นสัตว์ที่ไรฉานอย่างนั้นนะมองลงไปเรื่อยๆมองลงทางต่ํำอย่างนั้นะเทวดามองเห็นมนุษย์กับลักษณะเหมือนกับเรามองเห็นสัตว์อย่างนั้นะตอนนี้พรม พวกพรมเสวยความปีติสุขเอกกตาไม่เหมือนเทวดาเทวดานี่ต้องนึกสก่อนจึงได้บริโภคสวยความสุขนึกฐานอาหารนึกต้องการความสุขอะไรนึกเกิดขึ้นด้วยบุญของตอนเองมีขีดความสามารถเหมือนกับคนมีเงินจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่นอกเหนือจากเงินที่เราจะซื้อเครื่องบินจะซื้อของแพงๆซื้อไม่ได้ สุดแท้แต่บุญวาสนาบารมีเทวดาก็เหมือนกันที่จะนึกสวยความสุขอะไรที่ตนเองได้กระทำไว้บุญนั้นก็เข้ามาสนองแปลว่าเป็นผู้ไปสวยความสุขในสวรรค์แต่พรมที่ท่านภาวนาจิตใจ้องท่านเขาสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะไปเกิดเป็นพรมความเป็นอยู่ ของท่านละเอียดกว่าเทวดาไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดการเสวยด้วยความอิ่มใจคือปีติสุขละเอียดอ่อนมากกว่าการเป็นเทวดาแต่ถ้าพภาริยาเจ้าทั้งหลายท่านปล่อยวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเป็นบรมสุขเหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละถ้า เปรียบเทียบเป็นขั้นตอนลงมาลักษณะอย่างนั้นมนุษย์ของเรากับสัตว์ที่ร้ชาเนี่ยมองเห็นกันได้ชัดอยู่ในภพภูมิในชั้นเดียวกันแต่ว่าการเป็นอยู่ทำไมและมนุษย์เหมือนกันทําไมนี่แหละวิบากกรรมกลัมจำแนกสัตว์ให้เกิดไปในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้รอบรู้ ให้พิจารณาให้ทบทวนอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ที่เราดีอยู่อย่างนี้ถ้าว่าเรามีพพมีชาติเราอาจจะตกต่ําลงไปอย่างที่พวกเราเห็นแต่ว่าถ้าว่าเราทํากรรมไม่ดีในขณะนี้ชีวิตนี้เราอาจจะตกปกรกไปเป็นนักทงนักโทษก็ได้เพรนักการเป็นอยู่ของพวกเรา ท่านจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องระมัดระวังการเรียนการศึกษาการอะไรทุกอย่างการเป็นอยู่ทุกอย่างอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเท้าตัวเองประมาทแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะฉด้านการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยเหมือนกับเราไตถลวดไถลวดเส้นเดียวอย่างนั้นนะการดํารงชีวิตให้เราคิดอย่างนั้น คนโบราณเขาไต่ลวดเส้นเดียวเขามัดลวดเส้นเดียวแล้วให้ไต่สติพร้อมความแข็งแกร่งพร้อมพร้อมทุกอย่างที่จะไต่ลวดเส้นเดียวได้ถ้าว่าใครไม่พร้อมแปลว่าไต่ลวดเส้นเดียวเนยากยากไม่มีทางไม่มีโอกาสอันนี้ก็เหมือนกันการดํารงชีวิตของพวกเราที่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ ต้องลักษณะอย่างนั้นต้องเข้มแข็งทางด้านจิตใจมันขยันอดทนใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนวิริยะความเพียรอทุกอย่างจัดจะพร้อมด้วยบารมีทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาเสริมขันติก็เป็นเลิศวิริยะก็เป็นเลิศเมตตาก็เป็นเลิศ สัจจะก็เป็นเลิศเอ่อถ้าว่าเราทําอย่างนั้นได้แล้วเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอแล้วชีวิตของพวกเราจะราบรื่นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมนะเอ่อถ้าว่าเราประมาทเมื่อไรเออเราสรัมมาเลเทเมาเมื่อไหร่เราเที่ยวเตะเมื่อไหรเออเราประมาทใช้สุรุยชุลายเมื่อไหร เ, เราปล่อยวางตัวเมื่อไรเออเราไม่มี ความอดทนเมื่อไหร่เราไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเอาตัวรอดปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นความหายะนะก็จะเข้ามาสู่ตัวของเราเรานั่นแหลจะเป็นผู้ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างของผลแห่งการกระทําของเรานั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนําไปคิดนําไปพิจารณาชีวิตของพวกเราหนึ่ง ให้พวกเราถือว่าเหมือนไตลวดเส้นเดียวถ้าผิดพลาดลงมาแล้วก็ตกแล้วก็ใครช่วยไม่ได้ทางว่าพวกเราไตาไปแล้วเนี่ยนั่นะความภาคภูมิใจก็จะเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดชีวิตนี้ก่อนเนี่ยมันอยู่กับตัวของเราทั้งหมดหลักของพุทธศาสนากรรมมุลินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนหรือท่านผู้ใดที่จะมาบันโดนบันดาลให้เราถ้าเราทําชั่วอในวันนี้ไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาเข้าเ ข, า, เขาก็จับเข้าคุกเดี่ยวนี้เลยแล้วงั้นแหล ะ, ะถ้าเขาจับมาได้เขาวิ่งหัวสุกหัวสุนมางั้นแหละเนี่ยกรรมคือการกระทําถ้าทําดีแล้วก่อนั่นนะมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องสรรเสริญเพราะตัวเองทําดีถ้าตัวเองทําชั่วแล้วก่นหาความสุข ทางนอกมาได้ทางใจของบุ่นวายไปหมดนะเพราะการกระทาของพวกเราเพราะนั้นอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีกับตัวเองกายคิดดีทำดีพูดดีจะมีแต่ความพรมเย็นเป็นสุขแล้วต่อนนี้ไปรับพรยะถาวาริวาาปูราปริปูเร